แก่เป็นทุกข์เป็นต้นนั้นเป็นอาการที่แจกออกไปเป็นลักษณะของอาการแต่ท่านได้ตรัสสรุปท้ายไว้ว่าสังคิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานขันธาทุกขาแปล ว, ว่าเมื่อกล่าวโดวยสรุปแล้วเป็นสักขันที่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นคืออุ ป, ปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ข้อนี้หมายความว่า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 ถ้าจะกล่าวอย่างฉลาดฉลาดคือกล่าวอย่างรวบรัดแต่ค่อนข้างจะน่ากลัวนี้ก็กล่าวอย่างพวกนีกายเซนหรืออย่างวงโปกล่าวว่าความว่างนั้นคือธรรมะความว่างนั้นคือพุท ธ, ธะความว่างนั้นคือจิตเดิมแท้หรือจิตตัวแท้นี้ฝ่ายหนึ่งส่วนฝ่ายไม่ว่างความไม่ว่างหรือความวุ่นนั้น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 สติปัญญาได้หายไปทันทีตรงนี้ขอแทรกนิดหน่อยว่าสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญานี้เราหมายถึงสติปัญญาที่แท้จริงเพราะยังมีสติปัญญาไม่ใช่ที่แท้จริงคือสติปัญญาที่ไม่เกี่ยวกันกับความว่างจากตัวกูนั่นเองสติปัญญาเฉลียวฉลาดในทรนองนั้นภาษาบาลีเขาไม่เรียกว่าสติปัญญา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 ไม่เป็นอิโกอิซึมไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูของกูแล้วสติปัญญาแท้ที่จะดับทุกได้ที่เป็นยาแก้ไขโรคทางวิญญาณอยู่ในตัวนั้นก็มีอยู่เพราะฉะนั้นในขณะนั้นโรคเกิดไม่ได้หรือโรคที่เกิดอยู่ก่อนก็หายไปทันทีเหมือนเปลิดทิ้งในขณะนั้นจึงมีธรรมะเต็มไปหมดสมกับที่กล่าวว่าความว่างนั้นคือสติปัญญา ความว่างคือธรรมะความว่างคือพุท ธ, ธะเพราะว่าในขณะที่จิตว่างจากตัวกูของกูในขณะนั้นจะมีธรรมะทุกอย่างทุกประการหมดทั้งพระตัยปิดกที่เราควรปรารถนาเอากันอย่างง่ายๆว่าในขณะนั้นจะมีสติสัมปชัญญะที่สุดมีฮิริโอตตา ป, ปะมีความละอายบาป กลัวบาที่สุดมีขันติโสรัจารความอดกลัานอดทนที่สุดมีความกระตัญยูกตะเวทีที่สุดมีความสัตซ์ซื่อที่สุดเรื่อยไปจนกระทั่งมียะถาภูตยานัทสนะที่จะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อตมาแจกลูกไปแต่ต้นว่าจะต้องมีสติสัมปชัญญะอิริโอตปะขันติโสรจจะจา กะตันยูกะตาเวทีนี้ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นธรรมะที่เป็นที่พึ่งแก่โลกได้เหมือนกันแม้แต่ฮิริอตตา ป, ปะละอายบาปเกลียดบาปกลัวบาปนี้ลองมีสิโลกนี้ก็สงบเป็นสันติภาพถาวรเดี๋ยวนี้มีแต่คนหน้าด้านไม่รู้จักกลัวบาปอายบาปแก่ตัวเองจึงทาสิ่งที่ไม่ควรทาอยู่ได้ และยืนกรานที่จะทำอยู่เรื่อยทั้งๆที่เห็นว่านี้มันจะทำความพินาศให้ทั้งโลกก็ยังยืนกรานที่จะทำอยู่เรื่อยเพราะไม่มีหิริโอตปะโลกนี้จะต้องวินาศลงเพราะไม่มีธรรมะแม้เพียงข้อนี้หรือธรรมะต่ำแคบกว่านั้นอีกคือธรรมะที่ชื่อว่ากตันยูกตาเวทีอย่างนี้ลองมีธรรมะข้อนี้ข้ อ, ขอเดียวโลกนี้ก็สงบได้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 มีสภาพพลุนพลันไม่คิดไม่นึกไม่ยับยัง้งชั่งใจมีอาหิริมีอโนตับปะไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปเป็นคนด้านต่อความชั่วที่สุดและเป็นคนอักตันยูที่สุดตลอดถึงเป็นคนที่ทำทุกสิ่งที่เป็นการทำลายโลกก็ได้มันมืดมัวถึงขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะมียานทัศนะเห็นแจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออะไรทานองนั้น ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยล่ละเราต้องรู้จักของสองอย่างนี้ซะก่อนคือว่าว่างจากตัวกูกับไม่ว่างจากตัวกูว่างจากตัวกูนี้ก็เรียกว่าว่างและไม่ว่างจากตัวกูเราเรียกว่าวุ่นเพื่อประหยัดเวลาในการออกเสียงก็มีว่างกับวุ่น